อนาปฏิวนันตภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัดคือ1นึ่งสตรีมีลูกยังดื่มนมภิกษุณีสําคัญว่าไม่มีลูกยังดื่มนมบวชให้ 2. สตรีไม่มีลูกยังดื่มนมภิกษุณี 2. สําคัญว่าไม่มีลูกยังดื่มน ม, ม, ม, ม, นมจึงบวชให้3าภิกษุณีวิกลจริตสี่ภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่สองจบ